รรมาจบสงสัยคืนนี้จะได้ดูสื่อนะเตรียมสื่อมาแล้ว mm hmm. ปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นไงมัางกรรมฐานอร่อยไหมอร่อยไหม mm hmm. มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมามากมาย mm hmm. วันนี้เห็นว่ า, า mm hmm. เห็นว่านะมีความเห็นฉันทานุมัต mm hmm. ฉันทานุมัต เมื่อมีบัณฑิตมีปัญญาชนมีผู้รู้ผ่านไปผ่านมาตรงนี้เราก็โชวอากาสช่วโอกา ส, mm hmm. กาสทันทีเราสามารถที่จะได้ยินได้ฟัง mm hmm. ทุกคนนะ่มีโอกาสได้แสดงธรรมหมดนะ mm hmm. คำพูด mm hmm. าคาพูด mm hmm. มันมีความหมายสื่อก็มีความหมาย หลวงปู่เทียนท่านมาภาพไปแล้วเราต้องดูสื่อเอาหลวงพ่ อ, อเขียนท่านก็ไม่ได้มาช่วงนี้ก็ต้องอาศัยฟังสื่อเอาอย่างเงี้ยยังมีโอกาสอยู่เป็นบัดซักช่ว ง, งกลางๆไปหาปลายมันได้อารมณ์ปฏิบัติเราก็ฟังเทคนิคปฏิบัติอารมณ์ปฏิบัติจะเก็บเกี่ยวประโยชน์ดได้สูงสุดนะส่วนช่วงนี้ต้องปลูกแล้วกระบวนการศรัทธาหรือว่าให้เห็นว่าปฏิบัตปทามีความสําคัญ หราเริ่มมีอารมณ์เล็กๆน้อยเกิดขึ้นมาก็ต้องให้กำลังใจกันเดี๋ยทอจะไม่ยอมท้อแ ม, ม, ม่วันนี้แต่ถ้าทางเข้าท่านะตั้งใจเดินก็น่าดูเลยแต่ว่าอาจจาแบบแวบๆเดินผ่านสังเกตเห็นอยู่บางคนเนี่ยนั่งหลับแบบหลับตาก็ทักบ้างเล็กน้อยเดินผ่านไปเห็นว่าผ่านสองรอบสรอบไข่ควนแล้วถ้านั่งหลับตาเดี๋ยวมจะติดสงบงายเข้าไปลืมตาลืมตาที่นี่ ปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานลืมตาอะไรนะี่ปลุกแค้อย่ามาถือสาหาความถือว่ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือทันทีก็ทําทันทีไม่ต้องให้ใครบอกวันนี้มีคนสําคัญจริงๆเป็นศิษย์ของอาจารย์ปลาโมดนะชื่นชมมากอาจารย์ปราโมดเราเขียนหนังสือเคยเป็นลูกศิษย์อันมาไล่ไปไล่มาอา้าวมีอาจารย์เดียวกันอยู่อาจารย์ชื่อของพ่อบุญธรรมเคยไปบัดที่หนองพ่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพาเมนอันว่าเป็นลูกสท่านก่อนหลวงพ เ, เขียนนี่เสร็จแล้วอืไปดวดทำก็จะมาท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหากลุ่มนี้หมู่บ้านเสชาธรรมเชียงใหม่ไปหมู่บ้านนี้แปลกดียวปกติจะมีขับเฮ้าส์สาวไปน้ำอยู่กลางบ้านที่นั่นหมู่บ้านเสชาธรรมก็มีสารามีที่ปฏิบัติอยู่กลางบ้านแล้วหมู่บ้านก็สร้างกัน คนนี้ทําก็อยู่ร่วมกันอาจะเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้เกิด<น>มาหลายสิบปีละกลุ<น>่มผู้มีปัญญามีความรู้ไปอยู่กันที่นั่นปฏิบัติธรรมกันไปเงียบๆเงี<น>้ยเอาบ้านเป็นวัดชื่อคุณนำเกิงไปเจอที่หมู่บ้านศเศจษฐธรรมงานแม่วัอาจารย์กำพลมาเคยได้ยินได้ฟังเนื้อหาในหนังสือที่ท่าน ก็ได้อ่านหนังสือที่ท่านได้เขียนเอาไว้แล้วก็ติดศัพท์จากคนที่เคยรู้จักท่านมาก่อนหลายคนหลายท่านเป็นลูกศิษย์เจ้าคุณนอเทียมกันกิติศัพท์ของท่า น, เ, นเข้าออกชานเก่งเพราะนั้นวันนี้มานั่งอยู่ที่นี่จะให้พูดถึงความแตกต่างระหว่างการเข้าฌานหนึ่งสองก็คือ อยูอาจารย์ประมทอาจารย์ปรมทดูจิตดูจิตมีสติดูจิตมีจิตดูจิตก็นี่ละมาันปฏิบัติที่นี่มีสติรู้กายเมืองตนก่อนที่จะมีสติดูจิตดูเป็นแล้วสติรู้สติอย่างเงี้ยก็นี่ในความแตกต่างการที่ปฏิบัติวิธีการไหนมานก็ตางรูปแบบใดก็ตามงจะท้ามอนเหมือนกัว่ามันมีประสบการณ์ของจิต สติที่มันว่องไวขึ้นธรรมะที่ติมตั้งมั่นขึ้นปัญญาที่มันรู้รอบกองสังขารคือมันรู้มันรู้ชัดนะสติมันรู้ทั่วสะพางกายมันเลิกรู้ได้มันรู้รอบกองสังขารพอมันเป็นตัวปัญญาอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างเริ่มต้นท่าที่เคยปฏิบัติมาที่ท่านเคยไปดอนมากลับมาที่นี่เห็นว่าอะไรที่มัน เป็นจุดเด่นในแง่คิดมุมมองของท่านประสบการณ์ของท่านแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนเชิญนะคุณนำเกิืงก่อนมาป่าไมารู้โอนั่งอยู่เนี่ยมองสัไกลอะไรมองไม่เห็นนั่งอยู่ใกล้ๆ น, น, นั่นแหละได้เจิหนึงนี้เดี๋ยวจะให้มารุพลนึ่งนี้คราวนี้ขอฉันทานอุมาติก่อนญาติโยมใครใหเห็นว่าวันนี้จะให้คุณนำเกิงืงพูดให้เราฟังยกเือร์ขึ้น ถ้าฟังเทปอาจารย์ประเมดิดำเกิดำเกินกันนี่แหละตัวนี้แหละ <c oughs> ที่เราเห็นอยี่นะกับกลุ่มหมู่บ้านเสือธรรมก็นั่งอยู่นี่หลายคนแต่วันที่นี่หลายคนก็เข้ามาก็ไปลัางสารพิษกันแล้วสี่ค น, น <c oughs> ก็ไม่เป็นไรจนคุณดำเกินงนี้เดี๋ยวเอามาให้ในแงคิดมุมมองเราก็เห็นว่าอะไรที่เป็นการเอื้อ การให้ธรรมะเป็นทานสมกับเรียกว่าแก่ธรรมแก่เวลาสมควรแก่ธรรมแก่เวลาลกรกบขอเรียนเชิญคุนเกื้อเรียกว่านิมนต์ก็ไดนะ้ <c oughs> คือพูดในเรื่องปฏิบัติที่ตัวเองได้สัมผัสแล้วก็เทียบเคียงระหว่างที่เคยปฏิบัติกับแนวหลวงปู่เทียนจุดเด่ขนของหลวงปู่เทียนที่มีความรู้สึกเรื่อเจอกับหลวงพ่อขี้และมีความรู้สึกอืมตรงนี้มันมีอะไรอยู่ ก็เพื่อให้ก็ได้ยินไ้งใ น, ในกการชมครับในมัด ก, การพระคุณเจ้าทั้งหลายกราบคุณแม่ชีทั้งหลายแล้วขอกราบทุกท่านทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงที่ได้มานาทีน่นี้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ที่พยายามที่จะออกจากทุกข์ด้วยกันครับผมถือว่าท่านทั้งหลายเป็นเพื่อนๆผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันครับคือที่ท่านอาจารย์สงสินอยากจะให้ผมมาพูดเกี่ยวกับการที่จาก จะเรียกว่าประสบประการก็ได้ครับตั้งแต่การปฏิบัติธรรมคือในชีวิตจนกระทั่งมาถึงขนาดนี้อายุได้จบแล้วคือตั้งแต่สมัยผมบวชอยู่ที่วัดเทพนันตอนนั้นอายุ28นะก็ได้มีโอกาส ได้ท่านท่านเจคุณนอหรือท่านธรรมวิตโกคิดว่าทุกท่านที่อายุ40 50ขึ้นไปนะฮะคงจะรู้จักท่านธรรมวิตโกนี้ดีครับคือก็ผมได้ได้บวชอยู่ที่วัดเทพศิรินออสองเดือนเศษแล้วก็ในระหว่างนั้นนะ ก็ได้ศึกษาธรรมกับท่านเจ้าคุณโนได้เข้าไปหาท่านเกือบจะทุกวันก็ว่าได้เพราะปกติท่านจะไม่ค่อยได้ได้สั่งสอนได้เทศในในกลุ่มใหญ่ๆต้องเข้าไปหาท่านนะคือตัวผมเองก็ไม่รู้เป็นยังไงถ้าหากว่าได้พบครูบาอาจารย์ที่ ที่ท่านเราหมายความว่าใจเราได้ศรัทธาในท่านแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวท่านหรอกฮะแต่ยำเกรงจะไม่กลัวท่านจะเข้าไปหาท่านไกลๆแล้วก็ได้นั่งสับธ์ทามอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวผมเองที่นี้มตอนที่ได้บวชอยู่ที่นั่น ก็ได้เข้าไปหาท่านเจ้าคุณนอะแล้วก็ถามท่านว่าอยองผมเนี่ยควรจะฝึกกรรมาฐานอะไรถึงจะเหมาะแก่จริตท่านก็บอกให้ผมทำอนาป่าเลยเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความรู้เรื่องอะไรก็เรื่องปฏิบัติธรรมในไม่ยังไม่ประสีภาษาเท่าไหร่ เพราะว่าเพิ่งจบการศึกษาก็อายุ28ทำงานใช้เป็นสุวนใหญ่ก็ตั้งแต่นั้นนะผมก็เลยเทำอนาปาแล้วก็ระหว่างที่อยู่ที่วัดนั่นนะ่ะมันมันก็มีสภาวะไอที่เกิดสภาวะปิติหรือสุขเนี่ยเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ก็ ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันมันเป็นอะไรรู้แต่ว่ามันไม่ไม่ไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนแล้วก็หลังจากที่ผมศึกมาแล้วนี่ก็ก็ได้ไปทางานที่ต่างประเทศแล้วก็ตอนนั้นมันก็หลงไปกับกระแสโลกเลยเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันต้องทำงานหนักตอนนั้น ก็มาอีกทีก็อายุ48 20ปีที่เว้นไปอายุ48นี่ก็ได้มาเจอหลวงพ่อบุญธรรมที่ท่านอาจารย์ทรงศิลกล่าวถึงเมื่อกี้นี้ก็ก็ศึกษาธรรมะกับท่านได้ประมาณสัก5ปีเสร็จแต่ในระหว่างนั้นก็ ปกติหลวงพ่อบุญธรรมเนี่ย ท, ท, ท่านท่านท่านทําตามแนวธรรมานุปัสสนาประทานธรรมานุ ป, ปัสสนานะฮะท่านบอกว่าท่านไม่ไม่ได้ฝึกมาทางกา ย, ยานุ ป, ปัสสนาไม่ได้ฝึกมาทางอานาปาผมเคยเรียนถามท่านเรื่องการฝึกอนาปา่าท่านก็บอกเลยว่าท่านไม่ได้ฝึกมาทางนี้ ผมก็คิดว่าไอ้ด้วยความด้วยความด้วยใจรักที่จะฝึกอนาภานสติเนี่ยผมก็คิดว่าเอาละถึงแม้ท่านอาจารย์ท่านท่านจะไม่ได้ฝึกมาทางนี้ท่านก็คงสอนเราไม่ได้เรื่องนี้แต่ก็ตัวเองก็คิดว่าจะต้องไปหารู้อันนี้ด้วยตนเองอะแล้วก็ใจมันก็มันดิ่งไปทางนี้ทางเดียวฮะ ก็หลังจากเจอท่านได้สักสักเดือนสักสองเดือนได้ผมก็มาฝึกสมฝึกสมาธิด้วยตนเองด้วยด้วยคล้ายๆกับว่าครั้งสมัยที่ทำกับท่านเจ้าคุณนอนน์ในสภาวะปิติอะไรมันเกิดขึ้นก็ก็มาฝึกอีกครั้งหนึ่งทงั้งๆที่ไม่ได้มีผู้ผู้แนะนำอะไรเลยนะ แต่ก็ใจมันมุ่งมั่นว่าท่านเจ้าคุณนอท่านบอกให้ทำอนาปาเนี่ยก็แสดงว่าท่านจะต้องเห็นแล้วว่ากรรมฐานนี้มันเหมาะกับจริตของผมผมก็เลยทําจนกระทั่งจนกระทั่งเรียกว่าฌานที่เรียกว่ากันว่าฌานเนี่ยฌานปรากฏขึ้นอะ ภายในสองเดือนนี่ก็ชั้นหนึ่งชั้นสองชันง้นสามผ่านก็ยังทำอยู่อย่างเนี้ยก็ตอนนั้นก็มันก็ทำได้แต่แค่สมถะนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต่อวิปัสสนาอย่างไรคืออย่างพอถึงชั้นที่หนึ่งนี่ มันจะมีวิตกวิจารปิตสุขเอกกคตาซึ่งเป็นฌานองค์ของฌานทั้งห้ามีพร้อมอยู่ที่นั่นแล้วก็ในขณะนั้นสภาวะอย่างนั้นนิวรณ์ห้าจะดับหมดเพราะว่าองค์ฌานทั้งห้าเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับนิวรณทั้งห้าอยู่ในตัวแต่ก็จะดับตราบเท่าที่ เรายัางคงสภาวะฌานนั้นอยู่พอสักเดือนเดือนหนึ่งผ่านไปได้อั น, นี้อันนี้อันนี้เดือนหนึ่งพอเริ่มทำจริงๆก็เดือนหนึ่งก็ก็ได้สภาวะฌานที่หนึ่งพออีกเดือนหนึ่งผ่านไปก็ก็ผ่านเข้ามาถึงสภาวะฌานที่สองก็คือคือในฌานเนี่ย วิตกวิจารจะดับไปหมดแล้วก็เหลือแต่ปิติสุขแล้วก็เอกคตาจะเด่นขึ้นมาสภาวะปิติก็คือสภาวะที่ลมที่ที่ผ่านซ่านไปตามผิวหนังผู้ที่ถึงจุดนี้ก็จะรู้ได้เองการซ่านของลมนั้นนะ่ะมันจะซ่านไปตามจังหวะของการหายใจทั้งหายใจเข้าและหายใจออก จะมีลมสั้นผ่านที่ผิวหนังแล้วก็เวลาที่ช่วงที่หยุดหายใจคือจากที่ลมเข้าเป็นลมออกเนี่ยมันจะต้องหยุดหายใจใช่ไหมครับจากจุดนั้นสภาวะปิติจะดับไปทั้งทั้งที่สภาวะอย่างนั้นนะมันแสดงไตรลักษ์ให้ดูแต่ก็ความฉลาดของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงที่จะไปเห็นไตรลักษ์อันนั้นมันก็ได้จะ สุขสบายอยู่อันนั้นนะแล้วก็ต่อมาก็ถึงชั้นที่สาคือสามารถที่จะดับปิติได้เมื่อปิติดับไปเนี่ยสุขก็จะเด่นขึ้นมาสภาวะชั้นที่สามนี่มันจะมีแต่สุขแล้วก็สลับกับสภาวะเฉยๆคืออุทกธมสุขสุขอันนี้ที่ว่าคนที่ที่ทำมาถึงจุดเนี่ยมันจะ ติดอยู่ในสุขอันนี้แล้วก็ไม่ยอมที่จะเดินต่อเพรามันได้สบายมันก็เหมือนกับว่ามันทําให้ขี้เกียจนะแล้วก็อยู่ในนั้นนะ่ะมันสบายอยู่งั้นนะ่ะตัวผมเองก็เหมือนกันมันก็เข้าถึงนั่งปั๊บก็ไปเลยนะก็ไปติดอยู่อันนั้นนะ่ะเกือบสี่ปีได้ เสร็จแล้วพอหลวงพ่อบุญธรรมท่านสิ้นต่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็ยังทำอย่างนี้ต่อไปคือทำในแนวสมถะนียต่อไปเลยโดยไม่รู้ว่าจะดำเนินวิปัสสนาอย่างไรต่อไปก็จนกระทั่งอีกสิบสิบเอ็ดปีต่อมาเนี่ย าจากที่ทำชาหนึ่งสองสามเนี่ยจนจนทำจนคล่องแคล่วแล้วเนี่ยพออีกสบอปีต่อมาเนี่ยก็สามารถที่จะดับสภาวะสุขนั้นได้สภาวะสุขนี่มันจะเกิดจากการที่ลมหายใจที่ที่เราสังเกตอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆ ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้ น, น, นจนกระทั่งลมที่ผ่านตามตัวเนี่ยมันจะมันจะทำให้เกิดเป็นสุขอะ่ะคือมันก็สบายอยู่ในนั้นน่ะ <c oughs> แต่ก็ไอ้ลมที่มันผ่านผิวหนังเนี่ยมันจะเป็น มันจะผ่านเข้าผ่านออกตามที่ลมหายใจเข้าหรือหายใจออกทีนี้พอพอเมื่อสุกนี่ดับไปแล้วอันนั้นหมายความว่าลมหายใจนี่ก็จะต้องดับไปด้วยสภาวะที่ลมหายใจดับนี่คือสภาวะของฌานที่สี่ลมหายใจดับโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไปกั้นใจไม่ได้ไปฝืนให้ดับ แต่เขาดับเขาเองตามเหตุปัจจัยเพราะว่าสภาวะร่างกายเขาต้องการไม่ต้องการที่ลมที่หยาบซึ่งแม้ว่าชั้นที่สามนี่ก็เรียกว่าลมมันละเอียดแล้วแต่มันก็ยังหยาบอยู่คือคือสามารถดับลมอันนั้นได้แล้วก็มันก็เป็นสุขอยู่ในนั้นนะ แต่สุขอันนี้มันเป็นสุขที่เขาเรียกว่าอทุเขามาสุขมันก็จะนิ่งสบายอยู่อย่างนั้นนหละก็หลังจากที่จากนั้นมาจากที่หลวงพ่อท่านสิ้นแล้วเนี่ยก็ก็ยังอยู่กับสมถะนั่นแหละยังไม่ก้าวหน้าอะไรเพราะว่า ไม่ได้ไปหาอาจารย์อื่นๆเพราะห้าหกปีนั้นก็อยู่กับหลวงพ่อบุญธรรมโดยไม่ได้ไปหาอาจารย์อื่นทั้งนที่อาจารย์อื่นสมัยนั้นถ้าไปหาท่านนะท่านยังอยู่ทั้งนั้นนะหลวงปู่ดูลก็อยู่หลวงปู่เทศก็อยู่ท่านทั้งหลายอยู่ทั้งนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ไปกราบไปกราบเรียน่านท่า น, านจนกระทั่ง จนกระทั่งได้มาพบหลวงพ่อประโมทปรโมดโชว์ที่สวนสันติธรรมเมื่อเมื่อปีสี่หจากการที่ไปไปพบท่านเนี่ยเนื่องจากได้อ่านข้อเขียนของท่านเินหนังสือที่เรียกว่าวิมุตติปิปทาที่สมัยที่ท่านเขียนรุ่นรุ่นแรก ได้อ่านแล้วก็เกิดมันเหมือนกับเกิดแรงบันดาลใจว่าเออท่านอาจารย์ผู้นี้คงจะแนะนำเราได้ก็ได้ไปกราบฝากตัวไปลูกศิษย์ท่านสมัยนะั้นนะท่านอยู่ที่ท่านอยู่ที่เออเมืองการนะ <c oughs> ก็กับรถไป ตอนนั้นยังไม่มีคนมากเท่าไหร่ <Okay. S 1> พอสักปี4ี่เ้านี่ยท่านก็ย้ายมาที่มาอยู่ที่สวนสันติธรรมที่ศรีราชาปัจจุบันย <Okay. S 1> คนก็ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเลย <Okay. S 1> แล้วก็จากที่ได้ฟังคำแนะนำของท่านเ <Okay. S 1> พราะว่าเอิญท่านก็ ฝึกทั้งอนาปามาก่อนตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจนกระทั่งอายุยี่เจ็ดท่านบอกว่าท่านฝึกมายี่สิบปีก็ยังอยู่ในสมถะตลอดขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เหมือนกันท่านก็เลยมีเรื่องราวเยอะที่จะสอนผมก็หลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากท่านไปสัก ก็ไม่กี่ปีฮะมันมันมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยคือปกติที่ผมทำภาวนาเนี่ยทำกรรมฐานอนาปานี่ก็จะเข้าฌานไปแล้วก็จะดูสภาวะขององค์ฌานนั่นนะที่มันเกิดดับให้เห็นอยู่ตลอดเวลาจากฌานที่หนึ่งไปชานที่สององฌานปิติ ออ ว, วิจารณมันก็ดับไปให้เห็นฌานสองฌานสามปีติมันก็ดับไปให้เห็นฌานสามฌานสี่สุขมันก็ดับไปให้เห็นหก็จะ ด, ดูจากสภาวะอันนี้ดูไปเรื่อยๆแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งพอกําลังนะนั่งอยู่ก็ดู อ, องค์ฌานอยู่อย่างเงี้ยสักชั่วโมงเสรศษๆได้มันมันรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ย เราจะเราจะดูทลักษณะของสภาวะขององค์ฌานนะั้นนะอย่างเช่นปิติมันเกิดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสภาวะมันเป็นอย่างไงเขาเรียกว่าไปดูวิเศษลักษณะของมันก็ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆพออยู่ดีๆเนี่ยจิตข้างในเนี่ยเขาเขาทิ้งวิเศษลักษณะขององค์ฌานพวกนั้น พอกลับมาเห็นสภาวะขององค์ฌานพวกนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นปิติสุขหรืออะไรก็ตามจะดับไปอย่างรวดเร็วมากดับไปอย่างรวดเร็วน่ากลัวมากเลยอย่างที่ไม่เคยไม่เคยเห็นแบบนั้นมาก่อนก็ตอนแรกคิดว่าไอ้ที่สภาวะที่เกิดดับเนี่ยมันมันคิดเดาเอาเองอะ่ะก่อนหน้าที่จะ จะพบจุดมาถึงจุดเนี่นะมันก็เดาเอาเหมือนกับว่าไอ้ไฟไฟในดิสโกเ้เทกหรืออะไรที่มันกระพริบกระพริบกระพริบอย่งนนะเอาไปคิดว่าเกิดดับเนะี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เวลาที่มันเกิดเข้ามาจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นสภาวะเกิดเกิดดับนี้รวดเร็วมากจนกระทั่งมันไม่เห็นสภาว่าเกิดอมันเห็นแต่สภาวะดับอย่างเดียวเห็นสภาว่ะดับฟืดไปเหมือนกับ เหมือนกับสายชนวนที่เวลาที่คนก็จุดสายชนวนเอาไปจุดพลุอะไรมันจะฟืดไปอย่างนั้นมันจะดับแบบนั้นก็เอาสภาวะนี้ไปไปรายงานท่านอาจารย์ประโมทท่านก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าผมผมไม่เห็นเกิด ผมเห็นแต่สภาวะดับไปขององค์ฌานนั่นอย่างเดียวท่านบอกว่าอันนั้นและดีแล้วเพราะว่าเรียกว่าท่านบอกว่ามันมันจุดนั้นมันเป็นการที่เห็นสภาวะพวกนั้นดับไปอยู่เรื่อยๆเนะี่ยเป็นเป็นพังขยานท่านบอกเป็นวิปัสนาญาณพังขยานก็เลยได้มาทำจุดนี้ก็ต่อไปอีกทีนี้เออ่ พูดถึงพูดถึงแนวปฏิบัติที่ผมได้ทำมาแล้วนะฮะต่อไปก็จะพูดถึงความเห็นแนวปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนหรือของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยของที่เนี่นะฮะก็ตัวผมเองไม่ไม่คุ้นกับการปฏิบัติแบบนี้แต่ก็คิดว่า หลักการนั้นเป็นอันเดียวกันคือดูมาที่กายนะฮะก็เหมือนกับกายานุปัสสนาทั้งหบัพระอันแหละหดูมาที่กายอย่างทำอนาปานาสติก็ไปดูที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจยาวลมหายใจสัน้นก็ดูมาที่กายเพราะพระศาสดาท่านตรัสว่าลมหายใจนี่เป็นกายชนิดหนึ่งในกายทั้งหลาย ก็ดูกายแต่เป็นกายละเอียดแล้วลมหายใจนั่นมันก็เปลี่ยนสภาวะให้ดูอยู่เรื่อยๆหรือว่าจะดูอริยาบทใหญ่ก็ดูกายอีกไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนเดินนอนอะไรก็ดูกายอีกหรืออริยาบทย่อยก็ดูกายอีกเพียงแต่ว่าดูกายที่ละเอียดไปคู่เหยียดมองไปข้างหน้าถอยหลังเหลียวซ้ายเหละ ข, ขวาอะไรนะนี่ผมก็คิดว่า สภาวะาการยกมืออย่างในแนวขององค์พ่อเทียนเนี่ยก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรไปจากจา ก, กรรมฐานที่พระศัสดาท่านตรัสไปในมหาสติปัฏฐานนะฮะจุดใหญ่ใจความก็คือให้มีสติต่อแรกแรกเนี่ยให้มีสติตามทันว่ากำลังทำอะไรจุดนั้นละสำคัญ กำลังยกมือก็รู้ว่ากำลังยกมือกำลังคว่ำ ม, มือก็รู้กำลังหงายมือก็รู้จุดสําคัญอยู่ที่ว่ า, าสติที่มาทําไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆอะไรนความฉะนานมันก็จะเกิดขึ้นเองทีนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไปไประวังนะ สภาวะผู้ดูก็จะเกิดเองก็จะดูอยู่เฉยๆก็จะเห็นอะไรก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ก็ทำท่าอย่างเนี้ยยกไปก็ยกมาก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวเราทำหรืออะไรทั้งสิ้นก็จะไปรู้การเคลื่อนไหวคือเปลี่ยนสภาวะทั้งหลายเป็นรู้หมดก็มันก็หลักการอันเดียวกันที่ ที่ผมเดินวิปัสสนาในองค์ฌานอันนั้นก็เปลี่ยนสภาพวะองค์ฌานเป็นรู้เหมือนกันอันนี้ก็เปลี่ยนการยกม้ยกมือเป็นรู้ก็หลักการอันเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าทำแรกๆเนี่ยถ้าท่านไม่คุ้นเคยเนี่ยท่านอาจจะระวังเมื่อระวังมากเกินไปนะท่านก็อาจจะมีการไปเพ่งเพ่งที่มือว่าเอาแล้วนะแล้วเมื่อไหร่มันจะแล้วถ้าไหนต่อ แล้วถ้าไหนต่อจะต้องระวังอยตลาดเวลาก็ไม่เป็นไระก็ทําไปแล้วอีกหน่อยถ้าเผื่อว่า อ, าอาพอแรกๆมันก็จะเป็นอย่างนี้พอต่อไปต่อไปเนี่ยอมันก็ความชํานาญมีขึ้นแล้วมันก็จะไม่ต้องระวังอย่างนั้นอีกต่อไปผมก็คิดว่า คือเฉพาะส่วนตัวไม่มีอะไรที่จะขัดขานแนวการปฏิบัติกรรมฐานอันนี้ผมเห็นด้วยครับคิดว่าแค่นี้คงจะพอแล้วมั้งครับนะรครับท่านอาจารย์ครับก็อยากรู้เรื่องราต่อ ไปหาหนังสืออ่านเอาเองมันมีชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแลักสณะดเนี่ยมันคืออะไรอย่างลงปู่เทียนยนะผู้เชัดนะแล้วเวลาเราแๆเราก็เห็นเหมือนกันนะเมื่อกี้ท่านพูดมีความหนึ่งไม่รู้ว่าเราสะดุดหรือเปล่าก็คือถ้าเราทำแล้วก็มันมีนิวรณ์อยู่แต่ยังไม่ถึงลาหนณะของสมาธิที่เป็นสภาวะของจิตที่มันตั้งมั่น เที่มนเป็นความปกติจิตแล้วมันตั้งมั่นอันนี้ให้ทําให้ถึงจุดนี้ก่อนหายง่วงปิดทิ้งเลยความเลยสงสัยก็ไม่มีแล้วทำมันจะรู้สึกธรรมดาธรรมดาไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดตัวนี้ขึ้นมาเนะี่ยมันก็จะมีอาการด่านกั้นอยู่แ ล, ละง่วงบ้างสงสัยบ้างปุ้งบ้างสรารพัดสารพันน่นนแะแต่ไม่ใช่ว่าทําผิดนะก็บอกว่าทําถูกแล้วเคยทาไปแบกออกไปเรื่อยๆรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆที่านกายนี่แหละ กครลดเครื่องกำหนดลวงเตียนพูดไว้อารมณ์ที่หนึ่งก็คือเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องรู้ลักษณะของวัตถุปรมัตดอาการตรงนี้ต้องรู้ไว้ก่อนวัตถุที่มันเป็นลักษณะที่เราเห็นเป็นปรมามัดก็คือสักแต่ว่าถต่ว่ า, ามันเป็นอาการเกลือยะใช่กลือยาคือมันเห็นภายนอกแต่ว่าข้างในมันเห็นเป็นอาการคือนปกติหรือไม่ปกติตัวนี้เสร็จแล้วมันจะล mm hmm. ักษณะที่ว่า รู้ว่าตัวโทสะเป็นไงโมหะเป็นไงโลภะเป็นยังไงมจะรู้จักตรงนี้ก่อนอาการของมันเป็นยังไงมันจะรู้ต่อบไปอ๋อนี่คืออาการของกายที่เมื่อกี้ท่านพูดถือว่ารู้ตัวอะไรก็แล้วเลยยกเนี่ยธรรมดาเป็นดุนดุนมันจะแยกเป็นรูปขันนี้เรารูปอาการของกายเนี่ยมันเห็นเป็นรูปขึ้นมามันไม่้เป็นกายเฉยเฉยมันเป็นรูปขันมันจะเห็นตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คืออารมณ์ที่หนึ่งเลยนะ อารมณ์ที่หนึ่งชาตที่หนึ่งของหลวประเทียนนะตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นปับ๊บเดี๋ยมันจะต่อยอดไปอีกนะมันจะรู้อะไรอะ่ะมันก็จะรู้ตัวกิเลสเนี่ยพอเห็นโทษสะโลภะมเออรู้แล้วตัวกิเลสเกิดยังไงกิเลสกรรมเกิดยังไงการกระทํามันเกิดยังไงวิบากเกิดยังไงมันจะรู้นะกิเลสกรรมวิบาสมันยังไงปัญหาอุปท า, านมันจะรู้จักเอ้ยไอ้นี่เข้าไปเนี่ยอาการตาญานอย่างเนี่ยอาการขนขวายนี่ นั้นการทาําอย่างเงี้ยเราทําแบบวางๆเนี่ยไม่ใช่การขนไหวยนะแต่เป็นการเหมือนกับว่าเจริญสติไงก็ตรงๆอยู่เจริญสติสติก็เจริญเราเห็นห้ากายรละลึกระกระลุระลึกแระลกรูลลก้มันรู้ของหยาดเนี่ยมันก็รู้ของละเอียดแดงเหมือ น, นตัวรู้ตัวเดิมนะเป็นตัวสติที่มีกําลังมันจะขึ้นชั้นที่สองนะาการเนี่ยมันจะรู้ตัวที่ว่าเป็นตัวอาการที่มันแสดงออกมาเป็นตัวกิเลสกนะิเลสจะเป็นเรื่องของตัณหาวิธานมันเป็นอาการของจิตมัน่ เสรแล้วเราไม่รู้ตรงนี้ปุ๊บมันจะไรู้อะไรเวลาจิตตั้งมั่นเป็นไงไมรู้แล้วสมาธิขันยป็นไงอ๋ออันนี้ศีลขันตัวปกติเป็นไงที่มันตั้งมั่นอยู่มันได้เจอแล้วเวลาปฏิบัติแต่ว่ามันว่าแปบๆแล้วก็ผ่านไปเลยว่าแบบๆแลก็ผ่านไปเลยว่าต้องอาศัยเวลานิดหนึ่งต้องเปลี่ยนวิเว้ยมีความต่อเนื่องไม่คุกคลีกันแหละสาคัญอยู่คนเดียวแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมา รู้กายรู้ใจเบื้องต้นนะให้มันชัดชัขึ้นชัดขึ้นรู้ต่อเนื่องมากขึ้นอันนี้สำคัญเสร็จแล้นจะบอกเวลาเรายกแล้วมันไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นมามากมายมันจะยกนิ่มๆไปเรื่อยๆนะเราก็เห็นอาการที่มันละเอียดลงลเอียนลงเสร็จแล้วมันก็จะไปเห็นตัวที่เรียกว่าตัวศีลขันนะคือการรองรับของศีลขันสมาธิขั น, าขนการรองรับของสมาธิหนึ่ปนงปัญญาขันอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนี่ย เราจะเห็นอะไรต่อระดับของสติศีนสมาธิปัญญาเนี่ยที่เป็นขันมันแสดงตัวมาเพื่อเห็นอะไรไ ม, ไม่เห็นเรื่องเรื่องของสวะสวะคือที่เป็นขยะในชีวิตของเรามีขยะเยอะที่เกิดจากตัวคิดใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเราทำกับใครใครทำกับเรามันเก็กบไว้ดีๆชั่วๆบนบน บ, นบาบานเก็กบไว้โอ้ มันเป็นอาการที่เราไปมีสมมตุติมีเหตุมีผลขึ้นาหมดเลยเสร็จแล้วจะเป็นอาการที่เกิดจากตัวคิดละเอียดเป็นเรื่องของการ ม, มาสวัสทยานอยากชอบไม่ชอบทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เป็นอะไรเป็นภพสิ่งกันเนี่ยเป็นภาวะสวัสดการ ม, มาสวัสด์เนะี่ยทำให้เกิดต่อเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาเลยทันทีเป็นวงจรปัจจัยประจิปฏิจจสม บ, บาท พชาจรามบรมนโะสกกาบุตรเทวทูปปาศายาดมันจะต่อเป็นกระบวนมันยิ่งๆๆๆๆ ๆ, ๆนี่คือชานที่สามละเอียดหน่อยอันนี้ต้องเก็บอารมณนะ์มันถึงจะเจอกันนะอาจจะวันเดียวแบบหลวงประเทียนก็ได้เจอเร็วหรือว่าอาจจะแบบหลวงพ่เขียนก็ได้ภายในสามปีเจอก็ได้เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าอารู้ล์ละเอออาการที่เราต้องใช้ชีวิตใช้ใกาใช้ใจนะ่ะ ทำหน้าที่ทั้งหวันกับตัวเองกับผู้อื่นจะนั่งจะเยินจะเดินจะนอนทํากิจกรรมมากมายแล้วกันกับตัวเองกับสังคมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นแหละมารู้ว่าคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะเกิดความสึกอย่างไงอันนี้ชานสนะยื่นไปมันจะรู้เลยทำเนะี่ยเป็นธรรมชาติยังไงรู้ว่าทำไปนะเป็นกรรมยังไงมันจะรู้ว่าทำเป็นกรรมคือดีๆชัวช่วๆมนโนกรรมนนะวิจีกรรมกายกรรมแต่ทําแล้วเป็นกรรมฐาน ทำทั้งวันแต่เหมือนไม่ได้ทําอะไระมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาล่ะก็ทําทั้งวันแต่ไม่ได้ทําอะไรไม่มีเจตนาอะไรเนี่ยก็เฉยๆเกี่ยวข้องไปวันๆแต่พอ ม, มีปัญญาเกี่ยวข้องถูกต้องเท่านั้นเองคำว่าถูกต้องคือเกี่ยวข้องไนแล้วใจเราไม่ทุกข์ไม่ได้เกี่ยวข้ใจคนอื่นใจใครก็ใจมันรักษาเราเองแล้วกันตรงนเนี้ยนะแล้วส่วนใหญ่ทํามันช่วยมันช่วยถูกเหตุสำคันก็คือตัวเองไม่ทุกข์นั่นสำคัญที่สุดไม่เป็นเวรไม่เป็นกรรมทําแล้วก็แล้วไปทำแล้วก็แล้วไป เลยก็ใจว่เออผู้มีสติทําอะไรไปแล้วมันไม่เสียใจในภายหลังมันเฉพาะแน่เฉพาะแ น, น่มันขึ้นชายสี่ละท้ายสุนหลวพุเทียนบอกว่าที่สุดแล้วญาญย่อมมีมก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แต่วันนี้ไม่ใช่คําพูดนะแต่ว่าต้องปฏิบัติละท้ายสุดจะส่งข้อกันได้อะวิธีการใดก็ตามไม่ต้องมาเถียงอะไรใครทําถูกทําผิดเอาเป็นว่าคุณยังทุกข์อยู่หรือเปล่าตรวนี้สำคัญถามตัวเองดูถ้าเถามแล้วอ๋อใจละมันสบายมากแล้ว มันพร้อมอะแก่เจ็บตายมันจะทำให้ทุกข์นี่ยพัดปากมันจะทําให้ทุกข์มันไม่ได้มีการพัดปากนะรัฐปัทนาสิ่งใด ส, งสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นมามันไม่สมอย่างไม่มีหรอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันทําเป็นเพียงกรรมฐานทําอะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งวันจะนั่งจะเดินจะนอนจะคิดจะพูดจะทําอันเนี้ยมันมันขยายผลไม่จากเนื้อาการนั่งสร้างความรู้สึกตัวนี่แหละ มันค่อยๆเป็นไปท้ายสุดในรูปแบบเป็นนอกรูปแบบในสถานที่เป็นนอกสถานที่ในเวลานอกเวลาในวัดออกนอกวัดเนี่ยจะนั่งเรารู้ที่กายของตัวเราเป็นรุกธรรมนามธรรมข้างนอ ก, กเป็นรุกธรรมนามธรรมอีเหมือนกันเราจะว่ายังไงถึงตรงนี้แล้วใคจะว่าไยก็ว่าวิธีการใดถูกผิดอแล้วแต่ทํามันไหนดีก็ดีหมดนั่น่หละถ้าทําถูกก็ถูกหมดนนัแต่ถ้าทําไม่ถูกอะไรมันก็ไม่ถูกนะนี่ก็ยังทุกอยู่เหมือนเดิม เรียกกี่ปีก็ตามก็ยังทุกอยู่อันนี้มปนเรื่องส่วนตัวนะกลับเวรรับกรรมกันไปทําให้ถูกนะอันนี้จึงต้องอาศัยนะกาลยาณมิตรเมื่อกี้ก็มาในฐานะกาลยาณมิตรนะฟังเอาไว้ฟังมาเป็นมหูสูตรเราก็เลือกเป็นให้ให้ใ ห, ให้สติปัญญาเป็นพาเลือกพาธรมความรู้สึกตัวพาเลือกพาธรมยาวความคิดพาเลือกพาทำตัวนี้สำคัญจึงไม่ต้องรีบสรุปนะฟังแล้วก็แล้วไปตัวนี้ อตอนนี้ก็เห็นว่าถู ก, กัน่วล้วเราก็ภาพร้อมกัน